ต่อไปนะครับอุปติสูตรในข้อ275หนะครับหน้า594ก่ดูความพิสูจนทั้งหลายการเข้าถึงกามนะครับแปลว่าการได้กามก็ได้นะครับหรือการซ่องเสพกามเนี่ยนะครับการเข้าถึงการได้การซ่องเสพกาม3อย่างนี้3อย่างเป็นไนคือเหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้ว1 เทวดาผู้ยินดีในกามที่ตนเนรมิตเองหนึ่งเทวดาผู้ให้อำนาจเป็นไปในกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้หนึ่งดูความพิสูน์ทั้งหลายการเข้าถึงกามสามอย่างนี่แหละนะครับอันนี้เอากามมาพบทั้ง11ภูมิมาขยายเลยนะครับนับตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงเทวดาชั้นปารณิมิตาวัตสวัตดีนะครับแล้วในคาถาพระ อ, องค์ตรัสสรุปเป็นคาถาว่า เหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้วเทวดาผู้ยินดีในกามเนรมิตเองเทวดาผู้ยังอำนาจให้เป็นไปทั้งมนุษย์และสัตว์ผู้บริโภคกามเหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้ฉลาดในการบริโภคกามย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้บัณฑิตพึงสละกามทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เสียทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตันหาในปิยรูปสาตรูปนะรูปอันเป็นที่น่ารักและน่าพอใจที่บุคคลก้าวล่วงได้โดยยากได้แล้วย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือเล่องทุกได้โดยไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่ภพใหม่นะครับอันนี้ก็ ไมยเอาผ้าอริยะทั้งหลายที่ตัดกามนะครับคำว่าตัดกามในที่นี้ก็คือตัดโลภะที่ไปยินดีในวัตถุกามนะครับคือละ ก, กิเลสกามได้ทั้งหมดก็สามารถทำที่สุดแห่งวัตทุทุกได้นะครับโดยการเห็นอริยสัจนะครับน ะ, ะตักฐานนะบทว่ากามูปะปะติโยได้แก่การได้กามหรือการซ่องเสพกามนะครับสอย่างนะบทว่าปจุปติตกามาได้แก่ เป็นผู้ใคร่อยู่เป็นนิดนะครับเรียกว่าหมกมุ่นด้วยกามานะความใคร่อะนะคือมีอารมณ์เป็นนิดเช่นมนุษย์ทั้งหลายนะหมกมุ่นเหมือนกันเหรออธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจวัตถุเป็นนิดมีจิตปฏิพัฒน์อยู่เราพัดเนี่ยแปลว่าผูกนะครับผูกมัดติดติดอยู่ตลอดนะนะถึงจะนําเอามาดูคมนั่นแหละมาให้ตั้งร้อยตั้งพันก็ยังรับอยู่ได้เป็นประจำก็ พระราชานะครับแต่เป็นราชาสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเท่าไหร่ครับสนมกำนันมีเท่าไหร่ระนะครับรมีเป็นหมื่นเนี่ยนะครับหลายหมืน่นเพราะฉะนั้นเอาผู้หญิงเอามาเถอะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเอามากองเพื่อเดินเทือกไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตกอยู่ในอำนาจของวัตถุกรรมนี่เป็นนิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวัตถุกรรมเหล่านี้มานะครับอย่างอื่นก็ตามมาเมื่อมีคนมันก็ต้องมีบ้านเมื่อมีบ้านก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับ โอยยางอื่นเนี่ยติดมาเป็นพรนไปหมดและและเทวดาบางพวกก็เหมือนกันนะครับอธิบายว่าเทวดาผู้อยู่ในเทวโลกสี่ชั้นตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาุมมหาราชิกาเป็นต้นไปคือจารุมดาวดึงยามาดุสิตเนี่ยนะทั้ง4ชั้นนี้ก็ตกอยู่ในอำนาจวัตถุกรามเป็นนิดนั้น่ะเหมือนกันก็ในข้อนี้มีเรื่องของปัญจสิกาเทพบุตรเป็นตัวอย่างนะครับ มกมกมุ่นนะครับปัญจสิกขาเทพบุตรนี้ก็คิดถึงนางสุริยาวัชสาตลอดนะครับก็ดูได้ในสักกะปัญหาสูตรนะครับโอ้ยคิดถึงนะนะแต่นางมีใจไปคนอื่นไปแล้วอย่างไงนะก็รำพึงรำพันอยู่นั่นแหละครับพันเทวดาทั้งหลายก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมนุษย์ทั้งหลายเท่าไหร่นะครับถึงสัตว์ที่เกิดในอบายที่เหลือบางเหล่าเว้นสัตว์นรกที่เกิดในอบายก็เหมือนกันนรกมันไม่มีเวลามีความสุข น, นะมีแต่เวลาทุกข์เหมือนกันเถอะนะ ส่วนที่เหลือเนี่ยนะก็ตกอยู่ในอำนาจวัตถุเนืองนิดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปลาก็ตกอยู่ในอำนาจของปลาตัวเมียของตนนะครับนะปลาก็ยังมีใจผูกพันอนะติดกับนางสาวปลาอยู่นั่นแหละครับนะเต่าก็ตกอยู่ในอำนาจของเต่าตัวเมียของตนนะครับนอสเต่านะก็ติดเนี่ยนะครับเต่าก็ติดเต่าปลาก็ติดปลางูก็ติดงูกบก็ติดกบนะครับ เป็นอนุ瓦สัตว์เดราชาณแม้ทั้งหมดนะครับก็ติดพันกันหมดน ะ, ะเปรตจําพวกวินิปาติกะก็ตกอยู่นามนาฏวัตถุเนืองนิดดังพันานามาช่นีนะครับเปรตก็มกมุ่นในเปรตเดราชาณก็เดราชาณมนุษย์ก็ผูกพันในมนุษย์เทวดาก็ติดพันในเทวดา น, ะนะะั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้นะครับตั้งแต่สัตว์ที่เกิดในอบายที่เหลือจนถึงเทวดาชั้นดุสิตเวน้นสัตว์นรกเชื่อว่ามีการปรากฏแล้วนะครับมันเพลิดเพลินไปเนี่ยนะ โดยเฉพาะคําว่ากามตรงนี้ดูเหมือนจะเน้นเรื่องเพศนะครับเน้นเรื่องเพศตรงข้ามนะครับว่าสัตว์นี่ติดพันผูกพันเกี่ว่าเรื่องเพศตรงข้ามนะถ้าลักษณะนี้ก็เหมือนกับอังคุตรนิกาเอกรนิบาตี่พระองค์บอกว่าเออรูปเสียงกลิ่นรสพอธพาเนี่ยนะที่ที่บุรุษติดพันผูกพันหรือว่าดํารงจิตตั้งจิตนะครับหรือว่าบุรุษเนี่ยครุ่นคิดทั้งหลายก็คือรูปของสตรีในขณะเดียวกันสตรีก็นะครับ ติดพันคิดถึงรูปเสียงเปลีน่นรสโพธิภาพของบุรุษเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิที่หมกมุ่นไปด้วยกามเหล่านี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ซ่องเสพกามหมกมุ่นอยู่ในกามการได้กามการเข้าถึงกามน ะ, ะก็อยู่อย่างนี้แหละครับทำทุกอย่างก็โดยส่วนใหญ่ก็เพื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละครับเพื่อกามเหล่านี้นี่แหละบทว่านิมมานารติโนนะครับเทวดาทั้งหลายชื่อว่านิมมานรดีเพราะมีความยินดีในสมบัตินิรมิตร ที่เนรมิตขึ้นเองนะครับอธิบายว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมปรารถนารูปชนิดใดด้วยสามารถรูปสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นก็เนรมิตรูปชนิดนั้นแล้วก็ยินดีอยู่เหมือนเหล่าเทวดามานาปกายิกาผู้อยู่เฉพาะหน้าท่านผ้าอนรุรเทธระเช่นั้นอยากให้สีเขียวก็เนรมิตเป็นสีเขียวอยากสีเหลืองก็เนรมิต ส, สีเหลืองนะครับนึกถึงข้อความในวณปัฏฐสังยุทธนะครับเทวดาสามท่านเข้าไปหาพ้าอนรุรทธะแล้วใบเบาว่าเออ ท่านเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ไปเกิดอยู่กับเพื่อดิฉันนะเหมือนันนะไปล่อผ้าให้พ่านะทีนีเ้เขาก็พยายามเนรมิตนะพันรูท้าก็ทําเป็นสนใจดูซิเขาจะทํำยังไงสีเขียวสินางกรมิดให้ดูให้สีเขียวเลยนะครับสีเหลืองนางก็ระมิดให้เป็นสีเหลืองนะครับเนรมิตอย่างนี้พระทีนี้เนรมิตไปท่านก็สำรวมอินทรีย์เจริณาสุภาเฉยนะครับเทวดาก็ง่อยเลยพอเสร็จแล้วก็จะกลับ เตยวดาจะกลับพระนอุรุธาก็บอกว่าสังขารไม่เที่ยงรอบท่านก็สอนไปว่ายังไม่ต้องมาอีกแล้วกันแนละ้วกันสอนให้นะเพราะท่านเป็นอาทหารแล้วนะครับถามมายั่วตอนไม่เป็นพระรหารนี่ก่อนหน้าดูพร้อมกันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับร ก, รรก็คือท่านเป็นคนรูปงามนะครับท่านเป็นกษัตริย์นะท่านเป็นกษัตริย์เป็นคนรูปงามแค่จะครองราชอยู่แล้วนะแต่ก็บวชซะก่อนก็พี่ชายก็ได้ครองราชไงพระเจ้าหมหานามชะนะ ทีนี้ท่านท่านบวชแล้วท่านเป็นคนมีบุญเก่านะครับเป็นเท้าส ก, กะอยู่หลายชาติมากเพราชาดกข้างหลายเนี่ยนะเป็นเท้าส ก, กะสัส่วนใหญ่นะครับก็นับป่าคนมีบุญจริงจนะริงนคนรูปงามนะครับโดยก็เป็นที่หมายใจของคนทั่วไปนะบทว่าปริิมิตตะวะสวัติโนความว่าเทวดาชื่อว่าปรินิมิตอ่าวัสวติเพราะตกอยู่ในอำนาจการที่เทพเหล่าอื่นเนรมิตให้อธิบายว่า เทวดาเหล่าอื่นรู้ใจของพวกเทวดาชั้นปรินิมิตะวัสวัตตีแล้วเนรมิตกามะโภค่าให้ตามชอบใจเทวดาเหล่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจกามะโภคะนั้นนะครับคนอื่นเสกให้่บบ ง, งั้นนะอยากได้อะไรเขาก็เนรมิตให้หมดถามว่าอ้าวเทวดาเหล่านั้นอ่ะรู้ใจของผู้อื่นดนะ้อย่างไรแกว่ารู้ได้ด้วยสามารถแห่งการคบหาเกนกันมาเป็นประจำ อธิบายว่าเหมือนเจ้าพนักงานห้องเครื่องผู้ฉลาดรู้ภคกยายฐารที่พระราชาผู้สเสวยชอบสเสวยฉันใดเทวดาเหล่าอื่นก็รู้อารมณ์ที่พระเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีชอบใจโดยปกติย่อมเนรมิตอารมณ์เช่นนั้นนั่นแหละฉันนั้นนะครับคือมีคนรู้ใจคอยเนรมิตให้นะครับนึกอยากได้อะไรเขาก็ทําให้หมดเลยนะบางคนมันจะสนุกเลยอย่างเงี้ยนะกออา แล้วเทวดาที่คอยเนรมิตรูปให้คนอื่นและตัวเองแหะครับก็ถูกคนอื่นเนรมิตให้เหมือนกันโอ้เอ้าทางนั้นก็ชั้นต่ำกว่านั้นไงครับชั้นต่ํากว่านั้นอีกนะครับเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะตกอยู่ใต้อํานาจอารมณ์นั้นย่อมบริโภคกามทั้งหลายด้วยสามารถแห่งการเสพเมถุนธรรมเป็นต้นเหมือนกันนะครับ อาจารย์บางพวกบอกว่า อ, อการม ก, กิดของเทวดาเหล่านั้นสําเร็จด้วยการยิ้มแย้มด้วยเหตุเพียงการมองดูสวมกอดหรือว่าจับมืออัตกถาก็คัดค้านเลยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเหมือนกันก็เหตุแห่งการยิ้มแย้มเป็นต้นอ่ะไม่มีอธิบายว่าผู้ที่จะถูกต้องกันด้วยกายกาม ก, กิดคือโตาพตพ่าย่อมไม่สําเร็จได้เลยนะคือไม่ถูกต้องกายกันจะไปกามได้ยังไงเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นสําหรับเทวดาชั้นการมาวาจรทั้งหมีกามเป็นปกติเหมือนกันนะครับ ไมใครหวังว่าจะไปอยู่เป็นเทวดาแล้วจะไปเที่ยวฟังเทศฟังธรรมไม่หมอหรอกนะครับมีคนเอาอกเอาใจขนาดนั้นไม่ไปฟังแล้วเทศะนะครับลืมหมดนะเพราะฉะนั้นเทวดาบอกไปเป็นมนุษย์นะไปเจริญที่มนุษย์ที่มนุษย์บอกจะไปเจริญเทวดานะครับโตภัยกับโตภัยแล้วคนนี้สมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเทวดากามมาวาจรสวรรค์6ชั้นเหล่านี้เพียบพร้อมไปด้วยกรร ม, มาคุณทั้งปวงอายุของพวกเทวดา กามาวจรสวรรค์6ชั้นนั้นนับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไรนะครับ้าจาตุม้0 0ปีทิพย์ดาวเดือ1พ0 0ปีทิพย์ยามา 2,000 ปีทิพย์ดุสิต 4,000 ปีทิพย์นิมมานราดี 8,000 ปีทิพย์แล้วก็ปรนิ ม, มิตตาวัสวตีเนี่ยนะครับหนึ0ปีทิพย์บวกเบ็ดเสร็จได้เท่าไรครับไปคิดเอาคนเดียวทีนี้ในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสัต เหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้วเนี่ยนะครับก็คือนับตั้งแต่พวกเปรตอสุรกายเดรฉานมนุษย์แล้วก็เทวดาาจาตุมดาวเดืองยามาเนี่ยนะครับดุสิเนี่ยนะเรียกว่าผู้มีกามปรากฏแล้วหรือว่าเทวดาผู้ยินดีในกามที่เนรมิตเองหมายถึงนิมมานารดีเทวดาผู้ยังอำนาจให้เป็นไปนะครับอันนี้ก็หมายถึงปรนิ ม, มิตะนะครับ ทั้งมนุษย์และสัตว์ผู้บริโภคกามเหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้ฉลาดในการบริโภคกามนะนะถ้าสำนวนว่าพ่อครัวผู้ฉลาดทํากับข้าวนะครับให้มันอร่อยอร่อยติดพันเนี่ยนะย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับว่ารูปยังไงนะให้คนเห็นแนละ้วปิ๊งเลยนะติดแนมเอาไม่ละสายตาไปที่อื่นเลยแบบนี้นะ อย่างคุณรุ่งเนี่ยว่าวาดเนี่ยบอกคนดูนะัสียังไงมันเตะตาเตะใจก่อนครั้งแรกกันนะเขาก็คิดแบบนั้นแนะ่ะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงสละกาม ท, ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เสียทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตันหาในปิยรูปสารรูปที่บุคคลก้าวล่วงได้โดยยากแล้วย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงได้โดยไม่มีส่วนเหลือคือล่วงทุกขะ์นะโดยไม่มีส่วนเหลือ บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจ ร, รู้ถึงเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะถ้ารู้นิพพานก็ไม่ต้องมาสู่พบนี้อีกแล้วนะครับซึ่งอธิบายบว่าบทว่าเยจันเยได้แก่เทวดาเหล่าอื่นจากเทวดาที่กล่าวแล้วและมนุษย์ผู้บริโภคกามทั้งหลายผู้เข้าถึงอบาย บางเหล่าทั้งหมดนะครับคือสรุปนั่นนะถามว่าจิตที่เป็นไปกับการบริโภคการเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลใช่ไหมครับอกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะครับเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อทําปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแคนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้การกระทําแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่มีศีลอยู่เลยใช่ไหมครับ ปาติโมกสังวอนอินสีสังวอนอาชีวะปาริสุทิศีนนะครับเป็นพระพิสุว่าปาราชิโกโหติอาสังวาโซนะครับหัขาดจากความเป็นสมณะเลยนะมันถ้าเป็นสังขาริีเสดเอ้ยปริวาต์อีกแล้วอย่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็หมกมุน่นศีลก็ไม่ใช่สมาธิก็ไม่ใช่ปัญญานี่ไม่ใช่ซากอย่างเลยนะครับจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจหมกมุน่นด้วยอํานาจกิเลสตัณหา บทว่าอิทธาพาวัญยะถาภาวังความว่าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปล่วงถึงไม่ก้าวล่วงสงสารสองประเภทคืออัตภาพตามที่ได้มานี้และก็ความเป็นอย่างอื่นจากนี้กล่าวคืออุปติภพนะครับไม่พ้นความเป็นอย่างนี้และไม่พ้นเป็นอย่างอื่นไปได้แหละเพราะฉะนั้นก็เวียนวนวนเวนีย น, นอยู่นี่แหละครับนะกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละ บทว่าสัพเพปริจเฉกาเมความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดถึงสละการมทั้งหมดแยกประเภทเป็นกรรมที่เป็นต้นนะครับทั้งที่เป็นวัตถุกรมและกิเลสกรรมอธิบายว่าเมื่อละกิเลสกรรมด้วยอนาคามีมักนั่นแหละชื่อว่าสละวัตถุกรรมนะครับเพราะว่าจะสละวัตถุได้จริงๆก็สละด้วยอนาคามีมักนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้าอนาคามีมักก็อย่าเพิ่งอุ่นใจเลยว่าจะพ้นจากสภาวะแบบนั้นนะครับไม่พ้นหรอก น, น, นะนะถ้าเกิดจุติแล้วเข้ากระจกมาให้ส่องจะว่าไงอาจารย์ประโมทในอัจฉาราิสูตรนะครับทิกสูรูปหนึ่งบําเพ็ญเพียรโอ้ยเดินจงกรมปฏิบัติธรรมจนตายตา ย, ตายแล้วก็จุติไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้ามาห้อมล้อมใหญ่นั่งสํารวมครึมเหมือนกับพระเถระทั้งหลายเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกโอ้ยท่านตายแล้วเอากระจกมาให้ส่องดูโว้ยเสียใจยใหญ่เลยนะครับกลัวจะไม่ได้ส่องเนี่ยนะงั้นก็ไม่ต้องชวนนะครับไม่ต้องชวนผมหรอก บทว่าปิยะรูสาตะรู ป, ปคติตังความว่ากำหนัดแล้วยินดีแล้วในปิยรูปด้วยความพอใจในสุขเวทนาในรูปเหล่านั้นใช่ไหมครับเพราะรูปเหล่านั้นให้อารมณ์ที่เป็นสุขพอให้อารมณ์ที่เป็นสุขราคานุใสก็เกิดราคาราคานุใสอันนั้นแหละตันหาอุปาทานก็พบพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชารา ม, มรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัทและ อุปาญาตนะครับวัตทุก์ก็จะดำเนินไปอย่างนี้แหละครับบทว่าเชตวาโซตังทุรัตจะยังความว่าตัดกระแสตันหาที่ผู้อื่นก้าวล่วงได้ยากคือข้ามได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นบัณฑิตเนี่ยนะก้าวล่วงตันหาที่ที่คนอื่นล่วงได้ยากจริงๆก็ปรินิพานได้ แต่ว่าจะปรินิพานได้ก็ต้องเป็นผู้เห็นอริยสัจนะครับรู้ถึงเวทระดับอริยมรรคปัญญาโน้นแหละครับอริยมรรคปัญญานั่นแหละจึงจะตัดกิเลสตัดกรรมได้นะครับอันกิเลสที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภพใหม่ก็สิ้นไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสู่ภพใดๆแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะครับทั้งหมดนี้กล่าวไปเรียกว่าอุปติสูตรอุปติสูตรนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน